ประสบการณ์เจอวิญญาณที่บ้านเก่าสอง ส, สัมผัสสยองสวัสดีครับแอดมินและแฟนเพจทุกๆท่านผมบางหนึ่งจริงใจวันนี้เป็นโอกาสดีอีกแล้ว ที่ผมจะได้มาเล่าประสบการณ์ที่ผมได้พบเจอมาให้ทุกๆคนได้รับฟังกันอีกครั้งก่อนผมได้เล่าเรื่องที่ตัวผมเองกับเอ็มได้พบเจอกับเหตุการณ์นั้นมันทำให้เราทั้งสองคนหลอนกันไปเลยทีเดียวหากใครที่ยังไม่ได้รับฟังในตอนแรกก็สามารถย้อนกลับไปฟังประสบการณ์เจอวิ ญ, ญญาณที่บ้านเก่าได้นะครับ วันนี้ผมเคลียร์งานที่ทำเสร็จไปแล้วบ้างบางส่วนอาจจะไม่เต็มร้อยแต่ก็พอมีเวลาอยู่บ้างที่จะมาเล่าประสบการณ์หลอนของพวกผมต่อตามสัญญาซึ่งเรื่องนี้มันต่อจากที่ผมเจอในคืนนั้นเป็นเรื่องของนันรุ่นน้องที่อยู่บ้านเดียวกันกันกบผมแต่อยู่คนละหลังใกลๆกันและเรื่องของแฟงน้องอีกคนที่มาดื่มกินด้วยกัน หลังจากที่ผมได้เจอกับสิ่งที่เป็นเงาดำในตอนนั้นความรู้สึกผมมันวุ่นวายไปหมดทั้งกลัวสุดขีดทั้งสงสัยมันสับสนมากเพราะผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนผมนอนกรุมโปงไม่กล้าแม้แต่จะขยับตัวได้แต่นอนฟังเสียงว่ามันยังอยู่ไหมจนในที่สุดผมก็เผลอหลับไปพอตื่นมาอีกที ก็ประมาณ8ดโมงเช้าผมได้แต่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนเพราะยังสงสัยอยู่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวผมผมคิดได้ว่าถ้ามีอะไรมาคุยขยะในถุงก็น่าจะมีขยะกระจัดกระจายในบริเวณที่ผมเห็นผู้หญิงคนนั้นคุยหาบ้างหละพอคิดได้ดังนั้นผมเลยรีบลุกออกจากที่นอนเพื่อไปดู แต่เมื่อผมเดินดูรอบๆ บ, บริเวณนั้นแล้วก็ไม่เห็นมีอะไรที่บ่งบอกให้รู้ว่ามีคนมารื้อค้นกองขยะนั่นเลยในขณะที่ผมกําลังยืนงงอยู่นั้นยายก็เดินมาทำท่าเหมือนกับว่ามีอะไรจะพูดให้ผมฟังแล้วมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดจริงๆพอยายแกมาถึงแกก็ได้เล่าแบบตื่นๆว่าเมื่อคืนช่วงกลางดึก ที่มีเสียงหมาเห่าไอ้นันมันออกมาหาอะไรกินที่ครัวมันดึกแล้วก็เลยไม่อยากเปิดไฟอาศัยแสงไฟจากหน้าจอโทรศัพท์เพราะไม่อยากให้ใครในบ้านตื่นจากนั้นมันก็เดินไปที่ครัวหลังบ้านก่อนที่จะถึงครัวหน้าจอโทรศัพท์มันก็ดับพอดีนันมันบอกให้ยายฟังว่าพอถึงครัวก็เปิดตู้กับข้าว ตักกับข้าวมาราดข้าวในจานแล้วเดินไปนั่งที่แคร่ในครัวต้องบอกก่อนนะครับว่าแถวบ้านผมจะนิยมทำห้องครัวไว้หลังบ้านแต่ปล่อยรอบๆลงมองไปก็จะเห็นหลังบ้านได้รอบหมดหลังจากที่นันกินได้ประมาณสองคามันก็ได้ยินเสียงคล้ายคนเดินอยู่รอบบ้านซึ่งบริเวณนั้นพื้นเป็นดินลูกกรังแต่ยังไม่ทัน ที่จะมองหาที่มาของต้นเสียงนั้นก็ต้องตกใจสุดขีดเพราะสิ่งที่นั้นเห็นนั้นคือเงาดำพอมองได้สักพักก็เห็นเงานั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นเงาของผู้หญิงใส่ผ้าถุงที่ชายผ้าถุงขาดเธอไม่ใส่รองเทา้าและที่มันน่ากลัวก็คือตัวของเธอนั้นสูงเท่าชายคาบ้าน ผู้หญิงคนนั้นกำลังกลมเหมือนควานหาอะไรบางอย่างในความมืดเมื่อเห็นดังนั้นนั่นที่กำลังเคี้ยวข้าวอยู่ก็ถึงกับหยุดเพราะตกใจกลัวกับสิ่งที่เห็นตรงหน้าแล้วเหมือนกับว่าผู้หญิงคนนั้นจะรู้ว่านั่นนั่งหยุดตรงนั้นเงาที่อยู่ในความมืดหันมามองที่นั่นแล้วก็พูดคล้ายกับว่าจะบนอะไร กับใครสักคนอยู่กูอยู่ที่นี่มานานแล้วกูอยู่มาก่อนพวกมึงที่แถวนี้ก็ของกูวกมึงพากันมาอยู่ที่ของกูพวกมึงต้องตอบแทนกูแต่พออยู่ไปหกมึงกลับหนีไปโดยไม่บอกกล่าวกูเดินตามหาพวกมึงมานานแล้วกูหิวแต่ก็ไม่เจอใคร ตอนนั้นนันเหมือนกับตกอยู่ในผวังครึ่งหลับครึ่งตื่นแล้วผีตนนั้นมันยังพูดต่อไปเสียงที่นันได้ยินมันเหมือนกับว่าเสียงนั้นกึ่งหัวเราะกึก่งร้องไห้เสียงมันห้อยหววมาจนติดอยู่ในหูของนันทำให้นันรู้สึกเหมือนกับกำลังจะจับไข้หัวโกรน เวลาผ่านไปไม่นานนะักเงานั้นก็ลุกขึ้นยืนแล้วเดินมาที่บ้านของนั้นจากนั้นก็ค่อยๆหายไปใอ้นั้นรีบวางจานข้าวแล้ววิ่งเข้าที่นอนคลุมโปง่งน้ำก็ยังไม่ได้กินข้าวที่กินอยู่ในป่าก็แทบจะทำให้สําลักนั้นพยายามนอนแต่ก็นอนไม่หลับในขณะเดียวกันมาที่บ้านก็ยังเห่าไม่ยอมหยุดยายเล่า พร้อมทำสีหน้ากังวลหลังจากที่เสียงหมาหยุดเห่าก็เริ่มมีลมฝนพัดมาฝนเริ่มตกแล้วก็ได้ยินเสียงเดินอยู่รอบๆ บ, บ้านมันเดินอยู่อย่างนั้นทั้งคืนพร้อมกับเสียงพึมพันบ่นคำเดิมๆสลับกับเสียงร้องไห้หวยหวนเป็นระยะระยะวันต่อมานั้นก็เลยจับไข่ยอย่างที่เห็นนี่แหละยายเล่า ผมพอจะเดาออกว่ายายก็อยากรู้เหมือนกันว่าผมเจออะไรหรือเปล่าแต่ยายก็ไม่อยากถามเพราะกลัวว่าผมจะกลัวแล้วกังวลไปต่างๆนานาตามความเชื่อของคนแก่จากนั้นผมก็เดินไปอาบน้าแล้วกินข้าวคิดว่าหลังจะ ก, กินข้าวเสร็จจะไปดูอาการของไอ้นันมันหน่อยแต่พอผมอาบน้ำและกินข้าวเสร็จ ขณะที่กำลังจะเดินมาหน้าบ้านเพื่อจะไปหาไอ้นันน้องอีกคนที่ชื่อแฟรงมันก็ขี่รถมาเตไซ์มาจอดที่หน้าบ้านยายผมพอดีผมก็เลยชวนมันไปดูอาการของไอ้นันแต่ก็ไม่ได้เล่าอะไรให้มันฟังพอถึงบ้านของไอ้นันผมก็เริ่มเล่าเรื่องที่ผมและไอ้นันเจอให้แฟรงฟังแฟรงนั่งนิ่งอยู่สักพัก ก็พูดขึ้นมาด้วยสีหน้าเรียบเฉยว่าผมอะ่ะเจอก่อนพวกพี่วันหนึ่งแล้ววันที่เรากงเดียกันแล้วแยกย้ายกันกลับบ้านผมว่าจะนอนเล่นตรงเปรที่บ้านหลังเล็กรอให้แน่ใจว่าแม่ผมหลับก่อนกลัวแกจะบ่นที่ผมกลับดึกก็แน่ละ่ะเพราะผมยังเรียนอยู่นี่นาแกยังไม่อยากให้ดื่มกินมากตอนนั้นผมนอนที่เปรเกือบจะหลับอยู่แล้ว แต่มีความรู้สึกแปลกๆ ก, ก็เลยลืมตาแล้วมองไปที่ถนนคางบานผมเห็นเงาดำอยู่ตรงเสาไฟที่ซีแยกหน้าบ้านก่อนหน้าที่ตรงนั้นในตอนกลางวันมันจะมีใครเอาของอะไรก็ไม่รู้คล้ายๆกับเป็นกระทงทรงสี่เหลี่ยมทำเป็นช่องแล้วใส่กับข้าวของหวานและมีมาครูมาวางไว้ด้วยผมจำได้ แต่ตอนกลางคืนในช่วงที่ผมนอนเปรแล้วมองไปผมเห็นเงาคนประมาณสี่คนนั่งรอบๆกระทงเหมือนคนกําลังแย่งกันกินอาหารที่อยู่ในนั้นแล้วสักพักก็มีเงาผู้หญิงรูปร่างสูงน่าจะเป็นคนคนเดียวกันกับที่พี่เล่ามานี่แหละพอเธอคนนั้นมาถึงสี่คนนั้นก็รีบลุกขึ้นเดินเข้าป่าข้างทางแล้วหายไป ผมจึงมองดูอยู่เงียบๆความรู้สึกผมในตอนนั้นนะมันทั้งกลัวคนลุกไปหมดแต่ก็อยากรู้จึงแอบมองต่อผู้หญิงคนนั้นเหมือนจะไม่พอใจที่พวกสี่คนก่อนหน้ามากินของจนหมดก็ลุกแล้วเดินไปยังบ้านของพี่เอ็มพวกเรามองหน้ากันประติดประตอเรื่องราวจึงคิดว่าคงจะเจอดีกันหมดทุกคน โดนกันเป็นทอทอดเราทั้งสามคนเลยนัดกันว่าจะชวนเอ็มไปทำบุญด้วยกันที่วัดเพื่อความสบายใจของพวกเราและของผู้ใหญ่ด้วยเพราะพ่อแม่ตายายพวกแกเชื่อเรื่องแบบนี้มากวันถัดมาพวกเราก็มาทำบุญด้วยกันทั้งสี่คนพร้อมกับพ่อแม่ของพวกเราขอถวายของให้พระอาจารย์และพระอาจารย์ให้พรเสร็จ แกก็พูดกันมาว่าคนที่พวกเด็กๆเห็นกันนั้นพระอาจารย์ได้เห็นตั้งแต่มาตั้งวัดนี้ใหม่ๆแล้วเขาบอกว่าแถบนี้เป็นที่ของเขาเขาไม่ให้อยู่ที่แรกก็คิดว่าเป็นผีเจ้าที่อาจารย์เลยนั่งวิปัสสนากรรมฐานเพื่อให้รู้ว่าโยมคนนี้เขาเป็นใครแล้วอาจารย์ก็ได้รู้ว่าโยมคนนี้ เมื่อสมัยที่เขายังเป็นคนอยู่เธอเป็นคนที่ขยันมาแต่ลูกกับผัวก็มาตายจากไปเสียก่อนเธอจึงเหลือตัวคนเดียวแม้ว่าจะเป็นคนขยันและมีเงินเก็บมากสามารถสร้างบ้านหลังใหญ่โตได้แต่เธอก็ไม่เคยให้ทานใครไม่เคยคิดจะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลใครมันเป็นอย่างนี้มาเนิ่นนานจนต่อมา เกิดสงครามภายในประเทศกัมพูชาซึ่งเป็นสงครามล้างเผ่าพันธุ์เขมรด้วยความที่บ้านผมมีเขตติดต่อกับกัมพูชาเลยมีการอพยพและมีการสู้รบกันทั้งฝั่งไทยกับขเขมรลาสู้รบขเขมรกับขเขมรด้วยกันคนไทยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้จึงพลอยได้รับความเดือดร้อนไปด้วยแล้วพระอาจารย์ก็เล่าต่อว่า ต่อมาโยมคนนี้เกิดล้มป่วยอาการหนะักแต่ก็ไม่มีใครดูแลเพราะความที่โยมเป็นคนไม่เคยให้ความช่วยเหลือใครพอล้มป่วยก็เลยไม่มีใครมาสนใจจนในที่สุดเธอก็ตายลงแต่ด้วยความหวงแหนในทรัพย์สมบัติของตนทำให้วิญญาณของเธอนั้นไม่ยอมไปผุดไปเกิดยังคงวนเวียนอยู่ในที่ที่เคยเป็นของเธอ ทั้งยังไม่มีใครทำบุญอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ก็เลยกลายเป็นผีเร่ร่อนที่มีสภาพอย่างที่พวกเราเห็นนั่นแหละเรื่องนี้ไม่ได้มีแต่ผมและน้องเจอกันแค่สี่คนนะครับเจอกันมาตั้งแต่รุ่นตายายแล้วแต่ไม่มีใครเล่าให้ลูกหลานฟังด้วยที่กลัวว่าจะทำให้เด็กรุ่นหลังกลัวจนไม่กล้าอาศัยอยู่ที่นี่อีกและตอนที่ผมเล่าอยู่นี้ ผมก็ยังอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนั้นหลังที่เกิดเหตุนั่นแหละครับแต่อาศัยอยู่บ้านหลังใหม่ที่พึ่งสร้างเสร็จไปเมื่อห้าปีก่อนพูดถึงเรื่องนี้ทีไรผมก็ยังรู้สึกกลัวอยู่เนี่ยมองดูนาฬิกาตอนนี้ก็เป็นเวลาตีสมแล้วจะเดินไปเข้าห้องน้ําผมก็ยังรู้สึกผวาอยู่เหมือนกันระแวงข้างหลังอยู่ตลอดเลยเพราะเขา อาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้ผมรู้สึกได้ถึงความรู้สึกนี้เมื่อหปีก่อนซึ่งมันรู้สึกอยู่ในตอนนี้นี่แหละครับ พัดสิอง